จะเป็นของเคี้ยวหรือของฉันก็ดีแก่ท่านท่านจงรับประเคนของนั้นด้วยมือของตนแล้วเคี้ยวหรือฉันเถิดดังนี้ต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งรับประเคนตามคำของภิกษุณีนั้นด้วยตั้งใจว่าจะเคี้ยวจะฉันต้องอาบัตทุกกฎสองฉัน ต้องอาบัตทุนละใจทุกๆคำกลืน 3. ฉันเสร็จแล้วต้องอาบัตสังคาทิเศษ